พระธรรมเทศนาแผ่นที่หกสิบเก้าลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อเรื่องว่ารักษาศีลเท่าชีวิตพระนัทธายาโจม ลูกหลานวันนี้อาจารย์เจริญที่เป็นโคศก พ, พูดก่อนที่พวกเราจะไหว้พระทําวัดเย็นที่สวนเชียงธรรมของเราท่านบอกว่ามีครูบาอาจารย์มามากแต่หลวงพ่อก็ไม่ทราบแต่หลวงพว่อกดนี่ลนะองหนึ่งก็ไม่ทราบแต่ท่านอาจารย์เจริญท่านคงจะได้รับรู้รับทราบแจ้งข่าวจากครูบาอาจารย์ ที่จะมาร่วมงานวันมรืนนี้คือวันที่28อาทิตย์สุดท้ายของเดือนแต่ก็วันนี้เป็นวันที่26 26ธันวาคมพุทธศักราช2557หลวงพ่อได้ลงมาเพราะว่ามีกิจนิมนต์ญาติโยมลูกศิษย์เก่าแก่ขององค์หลวงตานั่นะนิมนต์ ลุงพ่อเห็นว่าสำคัญเพราะว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาเรานิมนต์ครูบาอาจารย์ก็ดด้มาในงานนี้มากและก็วันพรุ่งนี้คงจะไปฉันที่งานอย่างที่ว่านี่แหละงานของคุณนองแต่ชื่อจริงชื่ออย่างไรลุงพ่อไม่ทราบคุณนอง แต่เป็นน้องของคุณณเลศคุณณเลศก็คือคนที่ไปนิมนต์องค์หลวงตาลงมารักษาที่โรงพยาบาลสิริราชคุณณเลศเป็นผู้ไปนิมนต์แต่เป็นปีนับเป็นทันทอดกรถิ่นนะพอทอดกระถิ่นแล้วก็ลงตาก็ป่วยใครก็ไม่มีใครกล้านิมนต์แต่คุณณเลศเนี่ยก็เข้าไปกราบลงตาขอครับ จากนากั้ก็ไจัดเครื่องบินรับองค์หลวงตาลงมาก็เข้าไปที่รักษาศิริราชก็เมื่อไปรักษาแล้วก็ใค้ว่าสุดอกสุดใจสําหรับสิทธิานุสิตแต่ก่อนก็เมื่อหลวงตาป่วยอยู่ทางโน้นก็ลูกศิษย์ลูกหาบางกลุ่มที่ได้รับอยู่ในเมืองเอ้ยทําไมไม่เอาหลวงตามารักษา ทำไมรักษาอยู่ทางนน้นทําไมจึงใช้หมออยู่ทางนน้นหมอทางกรุงเทพของเรามีพร้อมอยู่แล้วทําไมไม่เอาลุงตามารักษาทีน่นี่อันนี้ก็ลูกสิทธ์หนาหูขึ้นได้เรื่อยคนที่สุเลนนี้มนองหลวงตามาพอลุงตามาแล้วก็เข้าไปสิริราชพอเข้าไปสิริราชกับหมอสิริราชก็ถ้าจะว่ายกธงขาวอาว่าได้ เพราะว่าลวงตาที่เป็นรักษาที่รักษาไม่หายยอมแพ้เมื่อยอมแพ้ก็รักจะรักษาตามอาการลวงตาก็เลยตัดสินใจกลับวัดนี่แหละอันนี้ก็คือโยมที่ว่านี่แหละท่านเป็นแม่ของท่านอายุมากแล้วทำบุญครูบาอาจารย์ทั้งหลาย <c oughs> ก็เห็นความสำคัญ เพราะว่าเป็นโยมขององค์หลวงตาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววันนั้นวันนี้จะได้มาพักที่นี่วันพรนี้ก็จะได้ไปฉันที่บ้านของโยมแม่ของท่านและกับพระบางองค์ก็อยู่ที่นี่อยูน่นะคณะาทายาทโยมถ้าผู้ใดอยู่ในละแวกนี้ก็ไม่ใช่ไปทั้งหมดเพราะมาพระพระติดตามก็มี อยากร่วมพ่อคงจะไปเอาไปด้วยองค์แต่องค์หนึ่งคงจะอยู่ที่นี่เพื่ออยู่ที่สวนแสงธรรมผู้ที่อยากจะมาทําบุญวันพรุ่งนี้ก็มาที่นี่ได้ <c oughs> และก็วันที่28เป็นวันอาทิตย์สุดท้ายนั้นเป็นวันงานที่ใหญ่มันเป็นสองงาน คืองานแรกก็คืองานที่พวกเราเคยตั้งกฎกติกาหรือ ว, ว่าตั้งกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าอาทา <c oughs> ออาอาิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพวกเราจะได้มาร่วมกันทำบุญแล้วก็ทอดผ้าป่าหรือว่ารวมกันถวายเจตุปัจจัยเพื่อบํารุงสรัทธาในวิทยุ ของลุงตาวิทยุเสียงธรรมของหลวงตาส่วนนึงแล้วก็บำรุงเพื่อจะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาอีกส่วนนึงสุดแท้แต่ผู้ใดใครจะ ร, วร่วมรวมจะถวายอันไหนในสองงานกับสุดแท้แต่มาคราวนี้เออครับเราทาบุญเกี่ยวกับเจดีย์มาคราวหน้าเออเราทําบุญกับสถานีวิทยุก็ได้ทั้งสองได้บุญ2 อ, อย่างเหมือนกันนะ พอใจเพราะว่าการทํา บ, บุญสร้างเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยเพื่อบรรจุพระปรรมสารีพระบรรจพุพระธาตุขององค์หลวงตาคือกระดูกหลวงตาเนี่ยหลวงตาในท่านเนี่เป็นพระธาตุนะกระดูกของท่านกระดูกขององค์หลวงตาเนี่เป็นพระธาตุไอ้ที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นไอ้อันนี้ก็คือกระดูกพระหานพูดง่ายๆนะไอ้ที่เราพูดอย่างก็ได้ แต่และพระธรรมพระธรรมคำสอนของหลวงตาคือ MP3 าแล้วก็เอาประกาศเผยแพร่ธรรมะสู่พี่น้องประชาชนออกสถานในวิทยอุออกทุกวี่ทุกวันทั้งวันทั้งคืนอันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่และปีแต่ก่อนหน้านี้ก่อนนะเช่าวิวทยุไทยคมแต่ปีหลังๆนั้นพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันจ่ายเท่าไหร่ แต่ประมาณปีละห้าล้านกว่าอยู่นะเชา่ชาเช่าค่าดาวเทียมเขาไม่ได้ไม่ต้องพูดค่าค่าน้ำค่าไฟนค่าน้ำค่าไฟอีกต่างหากที่วัดป่าบ้านตาดปีเดือนเนี่ก็เกือบแสนเหมือนกันนะและกขะสี่สวนแทงธรรมนี่เ อ, เองเป็นจุดใหญ่อันนี้ก็คือเราจะต้องได้ร่วมกัน เพื่อประกาศเผยแผ่ธรรมะธรรมคำสอนขององค์หลวงตาใครจะทำบุญร่วมขยายเสียงธรรมเทศนาของหลวงตาให้ทาเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเมื่อเราได้ฟังธรรมะขององค์หลวงตาแล้วจับจิตจับใจเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อความสบายใจเพื่อความพทธทุกนักกันเทศมาจากไหน มีค่าใช้จ่ายไหมต้องมีเนพะราะนั้นเราก็ติดการเทศบูชาการเทศขององค์หลวงตาทํามาหย่อนใส่ตู้นี่แหละนะัมากและน้อยก็ไม่ว่ากันนะหลายๆคนก็มากเองอันนี้ก็คือการบูชาธรรมขององค์หลวงตาการสร้างเจดีย์เป็นการอามิชฌาบูชาเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาได้บุญทั้งนั้นแหละคณะกฐาญาติโยในวันพุ่งนี้นะ อวันมะรืนนี้เป็นวันที่ยี่สิบแดแต่ละพวกเราจะได้ทำบุญทอดผ้าป่าอย่างที่ว่าเน่วิทยุเสียงธรรมแล้วก็สร้างเอดีพิพิธภัณฑ์แล้วก็พร้อมกันพิเศษพวกเราก็คงจะเห็นได้นะอิลุงตรงนั่งคงจะเป็นผู้มาทำไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะอันนี้คือจะหล่อลูกเหมือนองค์หลวงตาวันที่ยี่สิบปดเมื่อเราชันอาหารทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงจะมีการหล่อหล่อองค์หลวงตาหล่อรูปเหมือนองหลวงตาเพื่อเอาไปปฏิสฐานที่ไหนหลงพ่อยังไม่ได้ถามในรายละเอียดในวันวันนั้นละวันที่28พวกเราจะรู้ว่าจะเอาไปปฏิสฐานะนที่ใดอันนี้เป็นการรวมพลังทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะสัายาติโยมร่วมกัน เ, เพื่อสร้าง รอลูกเหมือนองค์หลวงตาไปประดิษฐานเพื่อกราบไหวของพวกเราคณะสิทยิอนุสิ์ทั้งหลายในละวันวันที่28นะจะมีโอกาสบอกต่อๆกันและบอกกล่าวมาร่วมกันเรอสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันที่วัดสวนแสงธรรมของพวกเรานะแล้วก็วันนี้หลวงพ่อได้มาถึงเห็นคณตจารทาญาติโยมลูกลาน ได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนตเ์เมื่อกี้นี่จบลงไปแล้วตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้ปารภด้วยกล่าวสัมโธธนิยกถาจบลงไปแล้วก็จะมีการฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาอีกอการนึงที่หลวงพ่อเลือกไปแล้วอ่ะอการอบรมด้วยสมาธิและปัญญานะเน่ยที่องค์หลวงตาท่านบอกไว้ ในเทศที่เราจะต้องฟังแต่หลวงพ่อเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับขราวก่อนหลวงพ่อแนะนำเรื่องสมาธิและปัญญาพอมาที่สองหลวงพ่อมาพูดเรื่องทานนะเรื่องทานอั น, นี้สงแห่งการทำทานเป็นยังไงแต่วันนี้หลวงพ่อจะขอพูดเรื่องศินนะเออสินเออสินคุ้มครองสิน มีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหนในความรู้สึกของพระอระหรันต์ผู้ที่ท่านตัดกิเลสตัดกิเลสแล้วท่านหมดกิเลสแล้วท่านให้ความเคารพเรื่องของศีลอย่างไรศรีลรักศีลอยิ่งกว่าชีวิตให้ให้ฟังด้วยว่าท่านรักยังไงท่านรักศีลยิ่งกว่าชีวิตของท่านท่าน ถึงชีวิตท่านจะตายไปท่านก็ไม่ยอม ล, ลวกละเมิ ด, ส, ด, นนะดนะสินถึงขนาดนั้นนะพระรหันท่านจิตใจท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนะท่านรักษาศินถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามปีใหม่ปีหนึ่งอย่าง อ, อย่างวันนี้นะละเดี๋ววัใกล้ๆนี่ลนะวันปีใหม่พวกเราจะไปสวดมนต์ที่ไหนก็ไปสวด น, นะแต่ถึ้งยังไงก็ให้มีศิน สีเลนะสุกติงยันติผู้จะไปสู่สุขติได้เพราะศิลสีเลนะโพก็สัมปทาผู้ที่จะมีโพคะสมบัติมากมายล่ำรวยโชคดีได้กเพราะศินสีเลนะนิพุติิงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะสินนี่แหละให้พวกเราอย่ามองข้ามเรื่องศินของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้คือกฎระเบียบวินัยเนี่ย ที่จะให้พวกเราไปสู่สุขคติไปสู่ความสุขความเจริญอย่างที่หลวงพ่อได้ ก, กล่าวชีเลนัน้นสุกติิงยันติชีเลย น, นโพกสัมปทาสีนนในอนิพุติิงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะสินเพราะนั้นศินของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติศินสําหรับสรคว่าดาติรวมก็คือศินห้าสินแปดสินสมเรงก็คือศิลสิบ สินสิบนั่นก็คืออุจจาและก็ชาตรูชาตรูพระรช ต, ตะใกล้ๆคำว่าสมมาเนนไม่ควรจะมีลูปิยะคือเงิน เ, เพราะว่าสมมาเนนพกเงินไปอยู่ในป่าในรงบางทีเขาฆ่าเนนเพราะว่า เ, เพราะมันมีเงินอยู่กับสมมาเนนเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสมมาเนนก็ไม่ควรถือเงินพระสงฆ์ก็ไม่ควรจะถือเงินคือเงินและทอง เ, ออเพราะว่า ทือเงินและทองติดตัวไปอันตรายทำให้โจนผู้ร้ายเขาฆ่าพระค่าเนได้นี่เขาพูดธเจ้ากรบัญญัติสินว่าห้ามมาให้สมณะเนรมีเงินและทองศินข้อที่สิบของสมณะเนแต่สินข้อที่เก้าลงมาเหมือนกับศินอุบาสกอุบาสิกาที่รักษาศินแต่สินเราจะแยกออกมาอีก ศินห้าเนะี่ยตั้งแต่ห้าข้อลงมาเนะี่ยเป็นศินที่คุ้มครองโลกเป็นศินที่ควรจะประพฤติปฏิบัตเิเป็นข้อห้ามอย่าทำถ้าทำไปแล้วไม่เป็นมงคลถ้าทำไปแล้วเดือดร้อนทั้งทั้งเขาด้วยทั้งเราด้วยเดือดร้อนแต่ศินข้อที่หที่เจ็ดที่แปดที่เกนะ้าที่เจดที่แปดเป็นศินที่ว่าคัดเกลา ขัดเกลากิเลสคล้ายๆกับว่าพวกเราเนี่ยชอบชอบความสุขความสุขความสบายติดโลกติดสรงจารไปไหนไม่ได้เนี่ยพติดสุข พ, พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าติดสุขนะ เ, เพราะว่าใ น, นขณะที่มีชีวิตอยู่ใช่ติดแต่อีกสักวันหนึ่งเมื่อเราจะตายไปนะ่ะมันจะหาความสุขไม่ได้นะ ต้องพิจารณาเนีเพราะพระเดเจ้าท่านมองให้ท ะ, ะลุนะทะลุปูโป่งไปเจนถึงขั้นชีวิตของพวกเราจะหาไม่แต่ว่าศินห้าเนี่ยเขาเราเขาเรานะีเขาเราเราเขาเนะี่ยคือเขาเราอย่างไงก็คืออย่างข้อที่หนึ่งสำหรับศินคราวาตญาติโยมอย่างอุบาสกอุบาสิกาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายศิลข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต คือจรุปแล้วคืออย่าฆ่ากันถ้าเราไปฆ่าสัตว์สัตว์เขาก็กลัวตายเออจึงจะเป็นคางคกจิ้งจกตุกแกอะไรก็ตามถ้าเราไปตีมันมันก็ร้องอ่ะเพื่อนกันน่ะกลัวตายเจ็บปวดนะเออเพราะมันมันกลัวตายเนีไปตีสัตว์สาราสิกตัวไหนก็ตามเขามาตีต่อยตบตีเราก็เหมือนกันเราก็เจ็บปวดเหมือนกันเพราะ ไม่มีอะไรยักรักยิ่งกว่าชีวิตเพราะพระเจ้าท่านมองเห็นแล้วสรรพสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เนี่ท่านบอกว่าอย่าฆ่ากันการฆ่ากันมันมีความทุกข์เมื่อเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขาเพราะฉะนั้นอย่าฆ่ากันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันต่างคนต่างรักชีวิตของใครของเราอันนี้คือสิ่งข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธิาทานอย่าขโมยสิ่งของของเขาถ้าเราไปขโมยเขาเขาก็รัก สิ่งของของเขาถ้าเราเขามาขโมยของเราเราเราก็รักเหมือนกันอ อ, อย่างที่หลวงพ่อขโมยขโมยเขาเนี่ยมันสูงใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเขาไปเรียกค่าไทยอย่างเี้ยหรือเราไปเรียกค่าไทยของเขาเนี่ยเขามีทุกไหมเขาก็ทุกเราก็ทุกถ้าเขามาทําให้กับเราเพราะนั้นเองเขารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้ข้อสีลข้อที่สองข้อที่สามเกามสุพิชญาจาราเว ร, รมนีสามีภรรยา คู่ชีวิตของใครเขาก็รักสมวนห่วงแหนถ้าเราไปทําอะไรล่วงล้าเขาแต่ละขั้นแต่ละคนเขาก็เสียใจถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันต่างคนก็ต่างรักต่างคนก็ต่างมีต่างคนก็ต่างห่วงแหนสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาให้เคารพสิทธิ์เขา เ, เขาต่างคนต่างเคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือสี่ข้อที่สข้อที่สมุสา อย่าโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงเขาเขียนเช็คเดงให้เขาโกหกเขาเรื่องเอาของเก๊เอาไปขายว่าของแท้เอาตะกัวไปซุกทองเอาไปขายให้คนว่าเป็นของแท้ก้อนหินเอาไปขายว่าเป็นเหล็กไร่เหล่านี้เป็นต้นอันนี้ใครๆบอกหลอกโกหกหลอกลวงเขา ถ้าเขามาโกหกหลอกลวงต้มตุนเราเราก็เสียใจยถ้าเราไปทำขับห้คน้นหึงเขาเขาก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้ระวังอย่าทำถ้าว่าโกหกเรารู้แก่ใจแล้วอันนี้โกหกหน่นเรารู้แก่ใจแล้วอย่าไปทำอย่าไปหลอกลวงต้มตุนเขาถ้าเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจยถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาก็เสียใจยเพราะนั้นให้เคารพซึ่งกันละกันอันนี้คือสี่ข้อที่สีข้อที่5สุรามรยะ อย่าไปดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์จากนั้นก็นทานสงเคราะห์คัญชายาฝิ่นเฮโรอิ น, นยาบ้ายาม마โคเคนมีเยอะแยะทุกวันนี้ถ้าเสพและดื่มเข้าไปจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นน้ําเปล่าก็ตามถ้าดื่มเข้าไปแล้วมันเมาขาดสติแปลว่าน้ำมันนั้นใช้ไม่ได้จะเป็นมีชื่ออะไรก็ตาม ถ้ากินเข้าไปดื่มเข้าไปเสพเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วเด็ดทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ฉินข้อที่1ขาดกระจุยเลยเข้อที่2องขโมยใครก็ได้เพราะมันขาดสติขาดการยับยัง้งข้อที่3สามีภรรยาลูกหลายคนใครล่วงละเมิดล่วงเกินใครก็ได้เพราะมันขาดสติข้อที่4มุสาเกาโกหกต้มตุน๋นหลอกปลอก ล, וק, ล וק, วงใครก็ได้เพราะขาดสติ แต่ขาดยิงกิมก็ทำไม่ได้แหละขาดขาดขาดสถิติพอกล้ากล้าเนี่ยกล้ากาก ล, กลัวเนครึ่งคึ่งกลางๆลางพอบ้าบ้าบองบองเนี่ยมันทําได้ฮชเออนี่แหละท่านบอกว่าถ้าคนคิดให้ดีแล้วจะไม่ทําในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ถ้ายอมดื่มสุรา ย, ยอมใจเข้าไปแล้วมันทําได้เออเพราะฉะนั้นสินข้อที่ห้าเป็นสินค้อหนึ่ง หลวงพ่อเปรียบเทียวันสิ่ข้อที่ห้าเหมือนกับหลังคาหลังคาศาลาของเราเนี่ยเอถ้าหากว่าไม่มีหลังคาไม่มีแนวมุงศาลาของเราเี่ยฝนตกลงมากลุ่มลงมาพื้นเสียหายหมดเอถ้าหาว่าแดดลงมาก็เสียหายหมดเพราะเหตุไรเพราะไม่มีหลังคามุงนะ่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าสิ่ข้อที่ห้าใครประพฤติหรือว่าทำสิ่งข้อที่ห้าไม่ครบในสิ่ข้อที่ห้าแล้ว พอดื่มเขาดื่มสุราเข้าไปเท่านั้นแ่ะเหมือนกับล้างคาล้วนเลยถึแดดลงมาฝนลงมามันล่วนลงพื้นหมดเสียหายหมดสินข้อที่หนกระจุยข้อที่สองที่สามที่สี่ขาดกระจุยไปหมดเพราะแหละคนขาดชาแชตินี่แหละสินข้อที่ห้าเป็นสินที่สมสควรจะสำรวมระวังแอแล้วก็ข้อที่หกวิกาลโปเราจะไม่ทานอาหารในเวลาวิกาลอันนี้คือ เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสทีนี่ถ้าคนทานอาหารติดในรถอาหารไปที่ไหนไม่ได้เพราะไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้นะันไปไม่ได้ติดในรถอาหารพกูกท่านเจ้าอ๋อถ้าตัวเองป่วยตายเข้าไปล่ะจะกินได้ไหมต้อ ง, ดดต อ, งองงดดูซิทดลองงดดูสิอย่าไปส่งเสริมลิ้นเกินไปตัดออก อ, อย่าไปอย่าไป ทานอาหารมันติดรถติดลิ้นพระเจ้าท่านสอนครับท่าเป็นเครื่องขัดเกลาลได้ท่านหนให้ให้ให้ดูตัวเองเออวิกา ร, รโลโพนจากนั้นก็นัดจัดขี่จะฟังเสียงร้องรำทําเพลงบางคลกับไปไม่ได้ติดเสียงละคร จ, จิดเสียงเพลงหมอลำํำพอมาได้ต้องได้ยินได้ฟังซะก่อนออจึงนอนหลับคนนั้นไปที่ไหนไม่ได้ พระพุทธเจ้าบอกว่านี่นะอย่าไปติดในเสียงในหูอ่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอก เ, อเสียงมันก็เท่านั้นแหละอ่ามันหูกับเสียงเสียงกับหูมันก็เท่านั้นแหละมันไม่มีประโยชน์อะไรอะขัดให้มันมีแต่เรื่องกิเลสมีแต่ทำให้ตัวเองทุกข์เท่านั้นแหละอันนี้ก็คือสี่ข้อที่เจดข้อที่แปดมาลาเราจะไม่ท ชงดอกไม้ของหอมไม่ปูกไรลของ ม, มีกลิ่นบางคนอถ้าไม่มีของมีกลิ่นไม่ได้ต้องอบด้วยน้ําอบน้ําหอมทาให้ตัวเองมีกลิ่นหอมอยู่เสมออันนี้ก็คือสิ่งข้อที่8ข้อที่เก้าตามไม่จริงข้อที่แปข้อที่เก้ท่านรวมกันนะแต่ตามไม่จริงมันแปข้อจะรวมกันแล้วเป็น9ข้ออุจยาไสนะมหาไสนาะคือเราจะไม่นอนที่นอนที่ใหญ่ยัดนุ่แลสําลี เอออันนี้คือไม่ให้ติดที่อยู่ที่นอนจนเกินไปบางคนก็ไปไหนไม่ได้เพราะติดที่หลับที่นอนนี่พระพุทธเจ้า เ, เวลาคนจะตายแล้วน ะ, ะยัดเข้าไปในหีบลเล็กๆหนาเพียงกว้างเพียงศ อ, อกเดียวเท่านั้นเองเอเอและก็ น, นอนอยู่ในนั้นไม่เห็นว่าจะบ่นจะว่าอะไรต้องคิดถึงจุดนั้นบ้างสิเพราะนั้นเราจะไปติดที่หลับที่นอนจนเกินไป สิ่งเหล่านั้นก็ออใช่เออมื่อมีแล้วก็ใช้ไปแต่จะ เ, เ, เป็นทุกข์เป็นร้อนกับออของกินของอยู่ของใช้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นเกินไป อ, อ, อันนี้แปลว่าถ้ า, ถ า, ถาเรียบเทยบกับพระก็บพระทุรงพระถือทุรงแต่สำหรับศรัทธาญาติยโยมก็ว่าญาติโยมขัดเกากิเลสถือทุรงดงองโยมถือทุรงไม่ทานอาหารออไม่ฟังเสียงร้องราทำเพลง ไม่ทัดทรงดอกไม้ของหอมรูปไล้หรือของหอมไม่นอนที่นอนที่ยัดนุ่นและสำลีอันนี้ก็คือสิลของของศรัท ธ, ธาญาติโยมสิลของสมณเณรเพิ่มก็อีกเราจะไม่รับเงินและทองหรือยินดีทองและเงินเพราะว่าพระเดสมณเณรไปอยู่ป่าโรงพงไฟอยู่วัดเดี๋ยวเขามาปล้นมาฆ่าพระฆ่าเนรได้พระโรคไม่ให้พกเงินพกทอง อันนี้ก็คือสินของสมณเองสินของพระในสองรอยี่สิบเก็ดอันนี้กว้างขวางเลยทนะีเียแล้วก็สิลและพิษมาจาร์อีกต่างหากมากมายสรุปแล้วก็คือสินและวินัยเนี่ยสำหรับให้พระสงฆ์ทั้งหลายถ้าใครก็ตามองไหนก็ตามถ้าาว่าอยู่ในสินและในวิญัยนล้เหมือนกับอยู่ในรัว้วรั้วทั้งสองข้างร้อย สอรอย25บาเรานะเนี่ยใช่ถียิบเลยแปลว่าไม่ให้เดินแวะออกนอกข้างข้างนู้นข้างนี้ให้เดินตามแนวแถวอยู่ในกเกาะหลักหลักพถักหลักพระวินยัยนั่วและใครอยู่ในเดินตามหลักพระวินยัยเป็นรวปทั้งสองข้างแล้วนะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางถึงมรรคผลนิพพานได้นี่แหละศีลท่านไม่ได้มองข้าง ดันั้นพระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านจึงให้ความสำคัญเรื่องของศิลรักศิลยิ่งกว่าชีวิตันคนี้เนีนะเ่พวกเราคณะท า, ายาติโยมคงอยากจะฟังว่าสมัยไหนคือพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องวิทยนเรื่องศิลข้อนีนะ้คือข้อปานาติบาทนะาพระภิกษุไปด้วยกันไปอยู่แม่น้ำฝั่งแม่น้ำอเจรวดี พระอยู่ด้วยกันนั่งมอนกอคงจะเป็นพระหนุ่มนะกำลังขนองนเน่เห็นหงมันบินมาทางอากาศมันเห็นมาเป็นบินเป็นฟูงมา อ, อ, องหนึ่งก็เลยท้าทายขึ้นมาว่าเอ๊ะเนี่ยหงบินมาน่ถ้าผมดีดก้อนขวดขึ้นไปนเนี่ยตกเลยนะตายเลยนะทางพระที่อยู่ข้างๆโอ้ยโม อุยเออมันจะไปดีดได้ยู่บนอากาศขนาดนี้เอาเถอะผมเคยดีดมาแล้วจะเอาดัเอาตาไหนอะข้างไหนเนี่ยเอ่อใครเขาวาดีดใส่หัวเอาเอาตาข้างไหนฮะเออทางนี้กับมันมันบินผ่านมาทางมันมองมาทางทางซ้ายใช่ไหมละ่ะไ อ, อ้พวกพระนี่บอกดีดทางขวาใครเข า, าเอาตรงข้ามกันนะ่ะเอ่อใครเข า, ามันจะดีดได้ไหมติดทางด้านขวาใช่ไหมละ่ะเออแต่นี้ก็ได้ พอนกนกหงมันบินผ่านมาพ่อผ่านมาก่พระเอานี่ก็ตบมือเปีย้ยพอเปี้ยมันมันก็สะบัดสะบัด ต, ตาข้างหนึ่งมันดูมันดูคนนะเออขนาดที่สะบัด ต, ตาประมาณนั้นอันนี้ก็ดีด ก, ก้อนหินขึ้นไปอย่างแรงนะเออศิลปะองคนมันต่างกันนะพอดีเข้าไปก็ปั้งไปถิดถูกตาทางด้านขวาของตาหงอนะไรเน่ะ ผงก็โโหบุญสวรรค์ลงมาเลยงนะั้นเออตกต่ำลงกับพื้นเลยตายโผงตายก็ตายพระที่อยู่ในรอบโอ้ทำไมท่านท่านก็รู้อยู่ว่าท่านจะดีหัวโโหให้ตายท่านถึงไม่จึงกล้าทำาผง ม, มันก็ไม่ได้ทำอะไรกับท่านเลยท่านทำไมจึงไม่มีเมตตากับหผงเลยโอ้เอ่อท่านทำไมทไมมมตต า, มย อ, อ, ทาทมทอย่างนี้ได้เออ ดูเฉถ้าเขาดีใจตาท่านน่ะท่านตกลงมาอย่างนี้นะ่ะท่านจะมีความรู้สึกอย่างไงทําไมท่านจึงทำได้ทีนี้นะี่พระสงฆ์ก็เลยเอาเรื่องนั้นไปกลาวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติวินัยบอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปภิกษุใดก็ตามแกล้งฆ่าสัตว์ทิรรชานต้องปาจิตตนะีคือสินส2งอยี่นะี่ขาดไปข้อหนึ่งนะนี่แหละคือบัญญัติศินต่อมาทีนี้ หลวงพ่อจะเล่าเรื่องอพระเถระท่านหนึ่งท่านไปภาวนาจนได้สําเร็จเป็นพระรอรหันต์ท่านเป็นได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านก็มาเข้ามาวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าเสด็จกับพร้อมกับพระสงฆ์พระเถระท่านนี้ท่านก็ไปบินท่าบาทพอไปบินทาบาทในกรุงสาวัตถีท่านก็ วันนั้นเขาบอกฝนตกท่านก็เลยไปยืนไปยืนอยู่ในชายคาบ้านของเขาลักษณะอย่างนั้นแ่ละ เ, เขาก็นิ ม, มนต์พระภูนท่านนิ ม, มนต์เข้ามาบินธบาตมาฉันในบ้านของของเราก็ได้พระเถระนั้นก็เลยเข้าไปพอไปสองผัวเมียนี่ยก็เลยให้ความเคารพเอออย่างสุดซึ้งทั้งสองผัวเมียแต่สองผัวเมียนั้นเป็น เป็นนายช่างแก้วนะให้ช่างแก้วก็คือใหช้ช่งางจิรนัยช่างจิรนัยพวกเพชรนินกินดาของพระเจ้าปเสณที่โกศล น, นะอให้เขาว่าเป็นคนจิรนัยแก้วให้ถวายพระเจ้าปัสเสณที่โกศลตอนนี้นสองผัวเมียน่ยคอยให้ความเคารพรักพระเถระพระพระเถระท่านก่อนนิสยัยเรียบร้อยพราท่านเป็นพระหรหันต์เลยเนี่ยท่านก็ไปจันทร์โอ้ต่อไปก็คุณพระคุณท่าน ยังไงยังไ็ขอที่มนมาฉันที่บ้านแต่นี้ก็พระเถระท่านก็ไปวินทบัดเสร็จแล้วถึงก็มาฉันพอโปรดเขาโปรดสองผัวเมียนะมาโปรดที่บ้านบางทีก็มาฉันที่บ้านบางทีก็ไปบินทบัดที่อื่นพอได้อาหารมาก็มาฉันที่บ้านเขาสองผัวเมียแล้วก็ป น, นิบัติด้วยความเคารพ บ, บูชาอย่างยิ่ง ทีนี้วันหนึ่งสิ่งที่ไมส่สิ่งที่ไม่พึงเกิดนะจึงไม่พึงปรารถนามันเกิดขึ้นเนะเอยท่านก็ไปนั่งอยู่ในห้องรับแขกเขาเด็ดสองผัวเมียเขาก็ไปจัดอาหารทําอาหารอยู่ในครัวฮนะเออไปทําอาหารอยู่ในครัวแบบเพื่อมาถวายพระเถระเนี่ยนะนะอาหารที่จริงไหนที่ทั้ทงสองผัวเมียเขาทําเขาก็จะจัดมาแล้วก็จะถวายพระเถระให้ท่านพระเทเรศฉัน พรเทระท่านก็นั่งอยู่ในห้องรับแขกเทนี้คนของพระเจ้าปเสนที่โกศล เ, เขาก็นำํนำนําเพชรมานําลูกแก้วจำนั้นะเขาเรียกว่าลูกแก้วแต่ตามจริงมันเป็นเพชรนะนำเพชรมามอบให้นช่างแก้วจิรนายพอเขานํามาในช่างแก้วนี้กําลังทำอาหารอยู่ในครัว ทำอาหารอยู่ในกลมเลือด ม, อมือมันเปื้อนเลือดเออมันมือมันเปื้อนเลือดเออเสร็จแล้วก็เขาก็บอกว่าได้ช่างพระเจ้าแผ่นดินเอาได้นำแก้วให้ท่านมาเจรไ น, นนี่รูปลักษณะอย่างนี้นะนายช่างแก้วนะครับครับปับครับครั บ, รบเออเสร็จนล้วก็เอาเอามือที่เปื้อนเลือดนะ่ะนะไปรับแก้วไ ป, ไปรับแก้วจาก คนที่มาส่งของพระเจ้าปเสนที่โกศลพอรับเสร็จแล้วก็นายช่างแก้วก็วางโต๊ะไว้ในโต๊ะวางโต๊ะที่พระเทเะนั่งอยู่นั่นแหละมีแต่าพระเทเะองค์เดียวนั่งอยู่นั้นแต่ได้มีในบ้านนั้มีนกกระเรียนน ก, ย น, นกกระเรียนตัวหนึ่งนกกระเรียนตัวปากยาวๆเดินโตเตโตเตอยู่ในบ้านเขาพอเดินไปเดินไปมันไปเห็นแก้วป่ะ เห็นแก้วถูกนั้นอ่ะมันก็มันก็ถูกกลิ่นเลือดใช่ไหมอมันถูกกลิ่นเลือดพอจังมันก็ขาบมัฟมันก็เกินเลยจะเน่ยเกิดเม็ดเออเกินเพชรเม็ดนั้นอ่ะพอเกินเข้าไปในท้องมัมนแะเนี่ย่นี้ก็นายช่างแก้วก็กมามาแค่พอพอเอาอหารมาแล้วก็จะมาล้างมือแล้วก็จะมาหยิบมาหยิบมันจะมาเอาเม็ด เพชรเม็ดนั้นไปเก็บนะพระเทระเห็นโอ้ตายจะทํำยังไงเนี่ยว่าถ้าบอกว่านกกรเรียนกินเนี่ยเขาจะต้องสําแรลกฆ่านกกรเรียนตัวนี้แน่ๆเราจะทํำยังไงเนี่ยวาพระเจะ้าจะคิดไม่ออกเหมือนกันฮพอเห็นปัญหาเฉพาะหน้าทนะ่านพอนายช่างแก้วมาท่านเอา้าที่ผมวางไว้ที่นี่มันไปไหนเพชรเม็ดนี่ พัดเทแล้วท่านก็เงียบนิ่งไม่พูดเออถ้าพูดเลยนกกรเรียนกินเี่ยเเออเขาคนไในช่างแก้วก็ช้ําแหละทันทีเลยผ่าท้องทันทีเพราะมันเม็ดมันมรนาคามันไม่ไม่ใช่ธรรมดาเนะท่านก็นิ่งเงียบแล้วก็ถามอีกเอาท่านท่านเห็นไหมคนมาเอาไหมท่านก็เงียบไม่พูดเอาไม่ใช่ท่านเอาเหรอท่านก็เงียบไม่พูดเออ แต่ในแต่สองพเมียน่ยก็ไปพูดกันในครัวอะไรทีนีเอ๊ะไม่มีใข่เลยนะมีแต่าภาคเทละาองค์เดียวนั่งผมว่าภาคเทละนะ่เนี่ยเอาเพชรเม็ดนี้แน่แนทั้งแม่บ้านพัญยาโอ้ยยาตัา้งแต่ท่านเข้ามาอยู่บ้านของเราเนะี่ยอากับกิริยาทุกอย่างเนะี่ยท่านเรียบร้อยทุกอย่างอาไม่ที่ฉันเนีไม่คิดเลยว่าท่านจะจะเป็นอย่างนั้นอย่าไปเลยอย่าไปสงสัยท่านเลยนะ พวกเราอย่าไปสงสัยเอาเถอะถ้าไม่ถ้าไม่มีจริงๆเล่านั่นแหละขอเป็นทาสพระเจ้าปเสนเลยยอมเป็นทาสท่านจะรับยังไงมันหายอย่าว่าอยังไงมันหายนี่ยเรายอมเป็นทาส ท, ท, นะ ท, ท่านดีกว่าอย่าไปรังแกรพระเถระนะโอ้ยไม่ได้ทางสามีมันไม่มีใครเนี่ยว่ามันก็ถึงพระเถระองค์นี้แหละเอาพระองค์นี่แหลาเออแต่มันทําไมไม่บอกว่าไปที่ไหนมันก็พระองค์นี่นั่งอยู่ที่นี่นะ ถ้าไมเห็นเข็นถ้าไม่ให้เเผวนี่เอาเลยจำใครจะเอาอะ่ะพอว่าเท่านั้นนะเมียก็ห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเอ่ยยาอย่าไปทําเถอะวะฉันจะไปทําอะไรกับท่านนะฉันรับไม่ได้นะท่านทําไม่ฉันจะทําเองพอเท่านั้นพระไอ้นายช่างแก้วนะก็จับมาได้เชือกมาใช่ไหมเอ่ยเชือกมามากับพันหัวพระเถระเลยนะั้น มาพันที่หัวพระเจรี่พันที่หน้าผากอะไรแบบนั้นอ่ะพอพันเสร็จแล้วก็ขันฉนออะไรแต่เนี้่อพอเสร็จแล้วก็ขันเลยว่าแต่ขันบิดบิดบิดเข้าไปเหมือนกับขันฉนอขันไม้เนี่ยพอขันเข้าไปก็เลือดแตกนี่ยเนี่ยเพราะมันขันแรงใช่ไหมพอเลือดแตกออกมาทเนี่ยท่านพระเจรติท่านก็ให้ขันอท่านก็ไม่ว่าอะไรท่านกันนะเอเพราะว่าถ้าท่านบอกว่าถ้านกกรเรียนกิน พวกที่ว่านายช่างแก้วจะฆ่านกนะท่านคนนะ ล, นลักสินรักสินยิ่งกว่าชีวิตนะทั้งเราจะตายไปก็ตามเราจะไม่ยอมสินขาดนั่นแหละนะคำนี่แหละพาเทระท่านกัแนง่งนายช่างแก้วก็ขันขันขันเข้าไปพอขันเข้าไปก็เลือดแตกจากหัวพราเทระพอเลือดแต่มานกกระเรียนได้ยินเห็นกลิ่นกลิ่นเลือดใช่ไหมลนะ่ะมันก็วิ่งดุดุ ด, ด, ด, ด, ดุมา เออมันมันได้กินเลือดมันจะมากินเลือดพาเทละเนี่ยนายช่างแก้วกาลังโมโหจัดเลยเนี่ยแตะอย่างแรงแล้วยไงปังนกกระนกกระเรียนตอนนั้นกระเด็นไปถูกฝาเลยชักกะกะกะกะกะกะกะโดนกันเถอพอเพราะนายนายช่างแก้วใช้อารมณ์อย่างแรงนะแตะอย่างแรงเอ่อแตะไปโดนฝาอีกนกกระเรียนตอนนั้นกันเออพาเทละเห็นเออใช่ใน ในช่างช่างใครคราอนี้เดี๋ยวไปดูสิว่านกนกมันตายไหมเอ่ในช่างแก้วคนลังโม โ, โหจ่ง ไ, ไม่ท้องว่านกตายแล้วท่านก็จะตายเหมือนกันนะถ้าท่านไม่บอกว่าไปที่ไหนท่านเอาขโมอยแก้วไปใช่ไหมเอ่ทางพาเทระเอ้ยอยาย า, ย า, ยาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูซะก่อนเพราะพาทะเทระท่านหมดกิเลสแล้วใช่ไหมท่านไม่มีอความกโกรธแล้วใช่ไหมทำอย่างนี้ท่านก็ไม่กโกรธใช่ไหม ถ้าท่านจะตายท่านก็ไม่โกรธเพราะท่านหมดกิเลสแล้กิเลสราคะโทสะหมดออกหมดออกจากใจของพระรหันแล้วเนี่ยเอไปดูโยมโยมไปดูดูก่อนดูซิเอาคายคายออกก่อนเขาก็เลยคลายในช่างแก้วก็เลยคลายฉนอกออกจากหัวท่านแต่ที่หัวท่านก็นแตกไลยเยพระเทล่ก็เลยจัดจะาโอ้ตายจริงๆริงใจจรงิงพระเทล่ก็บอกว่า victims, โยมนี่แหละอตาตมา น, นั่งอยู่นี่นะโยมนะ ไปทำอาหารมาใช่ไหมโยมมันถูกนี่แหละก็มารับมารับแก้วมารับเพชรนะ่ยจากผู้ที่เขามาส่งนั่นนะ่ะมารับเช็ดโยมก็มาวางไว้ที่นี่ใช่ไหมนกกรเรียนตัวนี้น่ะมันกินกินเข้าไปในท้องมันถ้าว่าอาตมาบอกว่านกกระเรียนกินโยมก็จะฆ่านกกระเรียนเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ไม่ได้บล็อกนี่แหละ มันตายแล้วก็ชำแหละเอกตัมมันอยู่ในท้องมันนด้ละพอว่าเท่านั้นพระเทเรศบอกพอแล้วก็นายช่างแก้วก็เลยชำแหละผ่าท้องมันเข้าไปไปเห็นอแก้วเม็ดนั้นจริงๆพอเห็นโอ้อกาพระเทะเรอขอโทษขออภัยเออย่าให้ผมเป็นบาปเป็นกรรมท่านทางภู่เมียนะไม่ว่านะทางภูเมียจะเสียใจอย่างมาก แต่ผู้ผัวนี่ยทางนายช่างแก้วเนี่ยขอแล้วขออีกพระเทหละบอกขอให้พระเทหละมาฉันที่บ้านของผมอย่างเก่าพระเทหละบอกเออเรื่องนี้มันไม่ใช่นะเรื่องเป็นเรื่องของวัตถะเป็นเรื่องของกรรม อ, อ, อาตมาให้โอ้โหสีอยู่แล้วไม่มีอะไรแต่จะให้อาตมามาฉันที่เก่ามาอีกไม่มาเด็ดขาดตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป อาตมาจะไม่เข้าไปในชายคาของผู้ใดตลอดชีวิตนะพระลหารท่านพูดอย่างนั้นนะท่านเด็ดเดี่ยวถึงขนาดนั้นนะอาตมาจะไม่เกินเข้าไปในชายคาของใครตลอดชีวิตตั้งแต่แ บ, บัดนี้เป็นต้นไปเพราะอาตมาเห็นโทษแล้วการที่เข้ามาในชายคาของคนมันมีโทษอย่างนี้เพราะนั้นตั้งแต่แ บ, บัดนี้เป็นต้นไปอาตมาจะไม่มา ไม่ใช่แต่บ้านโยมนะแต่บ้านไหนก็เถอะ เ, เราจะไม่เดินเข้าไปในชายคาของทุกทุกคนทุกบ้านตลอดชีวิตนั่นแหละจากนั้นมาท่านก็ไม่เข้าไปในชายบ้านของใครแต่ความเจ็บปวดของท่านที่ในช่างแก้วขันสนนอกขาวนั้น่ทําให้ศีรษะของท่านที่เช่นเรือมันแตกไม่ใช่น้อยเหมือนกันไม่นานเท่าก็ได้ท่านก็ปรินิพาน พระปรินิพานนี่แหละสรุปแล้วก็คือท่านรักศินของท่านคือท่านไม่ละเมิดในศินของท่านยิ่งกว่าชีวิตของท่านถ้าหาว่าท่านไม่รักไม่รักสินของท่านนะท่านก็บอกไอ้ตั้งแก้วนกกินเขาก็ฆ่านกนะท่านก็ศินขาดเพราะว่าท่านรู้อยู่แล้วว่าเขาจะฆ่านะแต่หลวพ่อบอก ท่านพระเทเะท่านก็คงจะเป็นกรรมของท่านหลวงพ่อว่านะอันนี้หลวงพ่ออินว่านะถ้าเป็นหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่ออินเออในช่างอาตมาเห็นในช่างนี่แหละนกตัวนี้มันกินแพทเข้าไปในท้องขขงมานะแต่อย่าฆ่านะออถ้าโยมต้องฟังคำอาตมาก่อนนะ อ, อ, อาตมาบอกไวนะ้แล้วต้องปฏิบัติตามนะ อ, อ, อย่าทำนะถ้าทำนะอาตมาจะไม่พูดถ้าพูดฟังเชื่อ อ, อาตมาอาตมาจะ พูดแนะนำให้ฟังเอ้าครับท่านพระคุณท่านว่าอย่างไงผมปฏิบัติตามนั้นครับพระเทลาก็จะบอกนี่เนี่ยอาตมาเห็นนกกเกรียนะมันกินแก้วเข้าไปเอาเถอะนะ เ, เราต้องช่วยกันดูให้เอามักตลอดหรือเราเอามักสมอก็ได้ให้มันกินนกกินเกาะปากมันให้มันถ่ายท้องมันมันถ่ายออกมาแล้ว เ, เรายังค่อย เยังค่อยเอาเพชตรต้นนี้เพราะเพชรมันอยู่ในนี้แหละอยู่ในท้องนกตัวนี้ละเอหลวงพ่อว่ามันคงไม่ตายเพราะมันกินกินยาถ่ายใช่ไหมละ่ะเออให้มันกินยาถ่ายมันคงไม่ตายเออเมื่อมนถายออกมาแล้วเรายังค่อยเยังค่อยเอาเพชรเนี่ยเม็ด น, นั้นเะถ้าเป็นหลวงพ่อนะ่ยหลวงพ่อจะคิดว่าน่าจะใช้อย่างนั้นแต่พระเทรศท่านคงคิดไม่ออกนะในช่วงนั้นนะเอะอเพราะมันชกล๊กหกนะ ในผลในสุดพระเถระอะไรนั่นน่ะปรินิพานพระพุทธองค์เลยตรัสว่าคนสี่จำพวกคนสี่สอย่างชีวิตสี่ชีวิตในบ้านช่างทองนั้นน่ะไปคนละไปเกิดคนละแนวทางกันไปกดคนละชั้นกันพระเถระท่านหมดกิเลสท่านมรณภาพแล้วเข้าสู่นิพพานนะเพราะท่านเข้าสู่นิพพานเพราะท่านหมดกิเลส นกกรเรียนพอนายช่างทองนายช่างแก้วเตะแล้วตายมาเกิดเป็นลูกของนายช่างแก้วมาเกิดในท้องของพันยาของนายช่างแก้วส่วนเมียของนายช่างแก้วตายแล้วไปสู่สวรรค์เพราะว่าเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนเป็นผู้มีใจเป็นกุศลแต่ส่วนนายช่างแก้วตายและตกนรกเพราะเหตุอะไรเพราะบาปกรรมที่ได้ทํากับพระหรหัน ถึงจะขอโทษยังไงก็เถอะมันเป็นแผลในจิตในใจเป็นบาป ก, กรรมนายช่างแกว้วตกนรกนี่แหละอันนี้แหละสรุปแล้วก็คืออย่างที่ลุงพ่อได้พูดว่ า, ารักศีลยิ่งกว่าชีวิตพระรหันนี่แหะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นก็เถอะให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รักศีลศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้แล้ว ให้พวกเราสมาทานสิลสิลสีเลนะสุกติยันติผู้จะไปสู่สุกติได้เพราะสินสีเลนะโพกสัมปทาผู้จะไปผู้จะมีโพคะสมบัติได้ก็เพราะสิลสีเลนะนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้เพราะสินเพราะนั้นสินอย่ามองข้ามสินเป็นเรื่องที่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและเรื่องทานศินภาวนา เป็นสามหลักของพระพุทธศาสนาวันนั้นเรื่องทานยังมองข้ามอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าคนที่จะไปสู่ความสุขความเจริญได้เดินทางสะดวกลาบรื่นได้เขาอันนี้สงทานอันนี้สงสิงก็คือใันนี้สงสิคุ้มครองและอันนี้สงภาวนาคือชําระจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส น, นี่แหละขอให้พวกเราพันธสัญญาญาติโยมลูกหลานทุกๆคนนะ ตั้งอกตั้งใจมีทานมีศีลมีภาวนาเรื่องภาวนาในสำคัญมากในหลักของพุทธศาสนาเพราะพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพนั้นพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสาเหตุพุทธศาสนาคืออะไรคือพระพุทธเจ้าไปภาวนาที่โคนต้นโพนั่งสมาธิจากนั้นได้สาเร็จได้ตัดรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ ตอนหัวค่าปุบเพนิวาสารุสติยาและลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตายารู้จักว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไงเป็นไปอย่างไงใช้กรรมอย่างไงแฮ่อั น, นี้ว่าจูตูปะปาตายาพอจวนสว่างอาสาวะยญาญาญอย่างรู้ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทำสิ่งที่ทําให้พระพุทธเจ้าหมุนเวียนเปลี่ยนไปเกิดในภพภูมิต่างๆคือกิเลสกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงนะ่ะพระพุทธองค์กําจัดจวนสว่างวันเดือนหกเพนน์จวนสว่างชนะําระกิเลสจิต พ, พรัทัยใจของพค์บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสสิ่งที่จะทําให้หมุนเวียนไปเกิดในภพภูมิต่างๆนะ่นคือกิเลสราคะโทสะโมหะพระองค์ได้กําจัดออกแล้ว พระ อ, องค์ได้ตัดสัรู้แล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วเนี่ยนี่แหละคือจุดที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสั่งรู้คือท่านภาวนาสรุปแล้วก็คือท่านภาวนาแต่องค์หลวงตาของเราก็เหมือนกันน่ยที่ท่านได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลตอนอื่นท่านบําเพ็ญตั้งแต่ท่านบวชมาบําเพ็ญที่ไหนไหนแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าแต่พอท่านบอกว่าเราภาวนาอยู่ที่วัดดอยธรรมเจดีย์ เรานั่งภาวนาในคืนนั้นเราได้บรรลุธรรมเราได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมสิ่งในมีจุดมีต่อผู้รู้อยู่ที่ใดนั่นแหละคือตัวพบเราได้ตัดข่ามจิตใจของเราเราเอาชนะใจเราชนะกิเลสในจุดนั้นได้ในวันเดือนในที่ฟัดดอยธรรมะเจดีเราได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมเ ร, ร เ, รเราประกาศได้เลยว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว อันนี้แหะคือสรุปแล้วก็คือเรื่องพระพุทธ ศ, ศาสนาเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่จุดสําคัญที่สุดคือจุดที่ท่านได้สาเร็จเป็นสำเร็จมากสําเร็จผลก่อนที่ท่านจะสําเร็จมากสําเร็จผลท่านทําอย่างไรก็อย่างที่พวกเราท่านทาั้งหลายนั่งภาวนาแน่เนี่ยละเลือกภาวนาเป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้แนะแนวและกล่าวเรื่องทานเรื่องศีล เรื่องศีลเน้นเรื่องศีลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานะต่อ น, นี้ไปก็ให้อาจารย์เจริญเปิด MP3 อของหลวงตาต่อนะเอาพวกเรานั่งสมาธินะที่นี่นะนั่งฟังถึงนั่งขัดสมาธิฟัง